ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านทุกฟั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้จะพูดเรื่องโอคาตะนาสูตรในสังยุตติกายสกาธวักก็เน้นไปที่คำถามของเทวดาทั้งหลายในประสุนี้ได้พูดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ อย่างที่บอกว่าประสูตรในสังยุตติกายนั้นข้อความแต่ละสูตรจะไม่ยาวแต่ว่าเป็นประพุทธธรมรมดัตเป็นคําถามซึ่งมีเนย้อที่ค่อนข้างลึกซึ้งพระอาจารย์จะนําไปอธิบายขยายความนั้นอย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเราศึกษาไปในประสูตรต่างๆ แม้จะไม่อ่านอันตริาเลยแต่ก็จะพบว่าข้อความที่สั้นๆในประสูตร์หนึ่งเนี่ยจะไปปรากฏข้อความที่พิสดารอยู่ในอีกประสูตร์หนึ่งเพราะทรงยกัยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังอย่างยากตัวอย่างเช่นอริมกักไปองแปดประการเนี่ยหรือแม้แต่อริยสัจทั้งหมด ในธรรมจักรวัตนสูตรเนื่องจากท่านปัญญวัคคีเป็นพื้นฐานท่านดีเวลาพระเจ้าทรงแสดงก็แสดงสั้นๆไม่ขยายข้อความในเรละคำออกไปแต่ในขณะเดียวกันพอทรงแสดงในหมหาสติปัฏฐานสูตรก็รพูดเรื่องอริสัตตสี ในส่วนจะเรียกว่าสัจจปะภะ ค, คือหมวดที่ว่าด้วยอริยสัจอย่างที่เคยนำมาอธิบายในมันชิุบนิกายเป็นสติปัฏฐานสูตรธรรมดาข้อความก็ยังไม่พิสดารมากนักแล้วก็ไปขยายออกไปอีกพิสดารในมาสติปัฏฐานสูตรคำแต่ละคำนียจะถูกขยายออกไป แล้วคาที่ขยายไปนั้นจะจะมีการขยายต่อและขยายต่อขยายต่ อ, ยยตอไปเรื่อยๆก็ทำให้เรื่องเดียวกันเนี่ยมันยาวเป็นกระบวนไปเลยแล้วไปเชื่อมโยงกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกเพราะว่าในอริยสัจนั้นได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมในโลกเอาไว้ทั้งหมดแม้แต่นิพพาน ในที่อื่นเนี่ยมันจะคลุมไม่หมดเช่นในขันห้าเนี่ยเป็นการพูดเฉพาะทุกขสัจหรือ เ, เน้นที่ทุกขสัจเพราะฉมันในทุกขสัตย์มันก็ไม่มีนิโรธสัต์ไม่มีมรรคสัจอยู่มรรคสัจที่จริงก็มีนะในในสังขารเนี่ยกับทรงมัทธยสัจที่มีแต่ว่านิโรธสัต์ก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นขันห้ามันเป็นโลเกียธรรมคือธรรมะระดับสภาวธรรมเพราะฉนั้นเราพยายามทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นถึงลักษณะการเชื่อมโยงกันของธรรมะเหล่านั้นแต่นั้นเราจะเอาเฉพาะปริญาใดปริย า, ยายหนึ่งนี่จึงจึงไม่ได้ เพราะปริยายมันเป็นแนวในการสื่อสารสำหรับกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้นนั้นเวลาถึงกลุ่มเป้าหมายมันเปลี่ยนเนี่ยวิธีการสื่อสารเรื่องเดียวกันมันก็เปลี่ยนเพราะสื่อสารอย่างเดิมผู้ฟังไม่มีวุฒิภาวะพอหรือวุฒิภาวะเขาสูงเกินไปไปใช้ภาษาอย่างนั้นไปพูดอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมสาหรับคนกลุ่มนะั้น เช่สมมติว่า จ, จะถวายพระธรรมเทศนาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนั่งเล่านิทานฉาดกในรูปละเอียดนะฮะแต่ในรูปของการยกตัวอย่างนี่ไม่แปลกอย่างแรกบรรดาลพระไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเรียบเรียงเรื่องมหชนกเนี่ยมาเกิดขึ้นจากการฝังเทศของเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวิโรจว์วินธรรมสาโรพรราชผาธิการาม แต่ก็เป็นการเทศสั้นๆ น, น, นะครับก็หมายความหยิบยกมาเฉพาะประเด็นแล้วก็ส่งศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทําความเข้าใจก็นํามาเรียบเรียงขยายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพต่างๆแล้วในสุดก็นํามาปรับตัวเองสื่อสารกับคนได้ทุกกลุ่มมหาชนกชาดอกส่วนหนึ่งก็เป็นภาพการ์ตูน สื่อสารกันแบบง่ายๆผู้กัเด็กแต่ว่าต้นเดิมนี้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับปัญญาช น, นแต่ปัญญาชนมากๆมันก็ไม่จำเป็นจะต้องออกมาอธิบายมากก็พูดสักษี 5, ห้าบรรทัดก็พอแล้วนี่ก็คือแนวปริยายเทศนาเพราะวันก่อนได้พูดถึง พุทกิจของพระพุทธเจ้าว่ามีโยสีประการเป็นปัญหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์เพราะแต่ละอย่างเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในขณะนั้นนในขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนถึงธรรมปฏิบัติที่เป็นปกติของพระพุทธเจ้าและทั้งหมด เป็นงานอนุเคราะห์โลกในการจะทอนเอกลักษณ์ของขุจราออกมาคือโลกาโนกัมปโกเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกภารกิจมันมีถึงสี่สี่ประการจริงแต่ <Yeah. S 1> เป็นภารกิจเพื่อคนอื่นเท่านั้นแม้แต่การสร็ดดอกบินทวาต ตีต่างว่าพระเจ้าไม่เสด็จออกบิณฑบาตเนี่ยก็คนแหกกันมาถวายพระกิจฐารเยอะแต่การออกเสด็จออกบิณฑบาตนั้นเป็นการโปรดสัตว์โลกให้เขามีโอกาสในการเห็นพระองค์ในการแสดงความเคารพต่อพระองค์ในการถวายทานของพระองค์ในการอันโมธนาทานที่คนอื่นถวายแก่พระพุทธเจ้า คนที่ไดเห็นก็เป็นทัศนานุจริยาคนไดที่ได้ปฏิบัติต่อพระองค์โดยความเอื้อกเกื้อก็เป็นปฏิปทานุจริยะบางครั้งก็อาจจะไดฟังก็เป็นธรรมานุจริยะเป็นโซนานุจริยาเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมเพราะก็เลยทั้งหมดมันเป็นการนเครอะโลก เป็นภารกิจของาศาสดาผู้เอนดูที่พุ่งทมต่อชาวโลกทั้งหลายสาะยเนยธรรมเดชนางเวลเย็นนี่ทรงแสดงธรรมเป็นการทั่วไปหมายความประชาชนก็เสร็จภารกิจเสร็จหน้าที่การงานของตัวเองก็ไปฟังธรรมในพุทธสำนัก ก็ไม่ถึงกระค่าความระยะช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมาแต่ก็มีในบางกรณีที่ทรงแสดงธรรมทั้งคืนถึงกับมาความท่านในกรณีนี้ก็ฟังทางพระทั้งโยมอย่างในเรื่องราวของจุเลกษัดก ที่ถวายผ้าหม่มผืนหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระเจ้าประเสริฐนิโคสนได้เห็นเหตุการณ์ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าในบางคราวเนี่ยมีชาวบ้านเขามาสมทบฟังเทศในสํานักพระพุทธเจ้าก็ตลอดทั้งคืนแล้วก็มีพระสงฆ์อยู่ด้วย พ ร, รที่ก่ศสการที่เข้ามาฟังด้วยเนี่ยคือไม่ใช่ออกจากวังกิยันที่บอกไว้ในวันก่อนว่าออกจากวังเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยไม่ได้แ ต, แ ต, แต่แต่ท่านไปปราบรามชุดนบุตรซึ่งก่อการกบฎแล้วก็เสด็จกลับประตูเมืองยังไม่เปิดแล้วก็แวะบักฟ้าพระพุทธเจา้ามาฟังเทศเลยแต่ถ้าไม่ได้เห็นว่า แม้แต่กษัตริย์ของกรุงสาวัตถีเองเนี่ยก็ยังข้าไปในเมืองไม่ได้เช่นเดียวกับพระเจ้าพิมพิสารนี่ข้าไปในเมืองไม่ได้ออกจากเมืองก็ไปได้เลยเวลากำหนดไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นยุคสมัยที่ตาไมไปเรามองเห็นถึงถึงโครงสร้างของสังคมในยุคสมัยนั้น แล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจในเรื่องอื่นเวลาพูดถึงเทวดามาคว้าพระพุทธเจ้าเป็นพูดถึงกษัตริย์มาคว้าพพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ได้พูดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแม้ต้องมองในจุดอื่นด้วยในวันนี้มันก็คล้ายๆ ก, กันแนวการละมาสูตรนั่นแหละกาละมาสูตรค่อนข้างดีหน่อยนะเวลานี้ไม่ค่อยอ้างกันจนเประไปหมด กรณ์มสุดเป็นเป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณีของคนซึ่งมีข้อมูลอยู่เยอะมากแต่ว่าสลับซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างสับสนเพราะว่ามันมีการชีน้นำว่าที่คนอื่นพูดมันผิดที่ตัวเองพูดมันถูกแล้วเราก็พูดอย่างนั้นทุกคน เพราะคนเราถ้าไม่มีข้อมูลมากพอต่อการวินิจฉัยเนี่ยไม่ปรุงไอ้ผู้นี้ลงมาก่อนแล้วมาเลือกเฟ้นด้วยสติปัญญาตัวเองเนี่ยจะจะยากมากแล้วเพราะมีการสอนอพระเจ้าก็คือว่ามันเหมอะควรที่จะไม่เชื่อประเหตุทั่นเด็ดนั่นเด็ดัเด็ดนั้นแต่ให้นำมาพิ จ, จารณาดูว่าอะไรเป็นเป็นคุณเป็นโทษเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนบุคคลอื่นไหม ทำตัวเองให้เดือดร้อนไหมทําบุคคลอื่นเดือดร้อนไหมเป็นต้นเราก็แยกแยะดูถ้าการใดที่ไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทําบุคคลอื่นเดือดร้อนเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่ บ, บุคคลอื่นก็ถือว่าถูกต้องเป็นการสอนระดับจินตามียะปัญญาไม่ใช่สอนระดับสุตตามยะปัญญาทีนี้ถ้าคนไม่เข้าใจภาพของสังคม ในขณะนั้นแล้วก็มาใช้กับสังคมในขณะ น, นี้แล้วก็มีปัญหามันก็ตํององใกล้ๆกับว่าเราวิพากษ์วิจารณ์บรรปราจชนสมัยสร้างกรุงธนกรุงเทพเป็นต้อองว่าไม่ศึกษาดีซะก่อนลักษณะาทางภูมิศาสตร์มันไม่เหมาะที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองขนาดใหญ่เพราะว่าพื้นที่มันราบลุ่ม มันมีการลงทุนสูงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเราพูดได้นะฮะมันเหตุการณ์หลังมาตั้งสองร้อยกว่าปีต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นและเราก็ต้องสร้างอย่างเนี้ยอย่างที่ท่านสร้างตนวังท ป, ปลุโปรงลักษณะของโครงสร้างของนิเวศระบบนิเวศสมัยโบราณนี่เราจะเห็นว่าน้ำไม่ท่วมน้ำท่วมก็มีปัญหาอะไรเพราะคลองมันเยอะอย่างเนี้ ย่างหนึ่งก็บ้านคนได้ทุนสูงมาก็มาจิ้ไม่ก็ว่าเลยน้ำมันค่อยๆมาพอป่ามันไปประทะเอาไว้น้ำก็ไหลไปอย่างช้าๆก็เออมาชาวบ้านก็นั่งตกเบ็ดอยู่ข้างบนสารเรือนไม่เห็นเดือดร้อนเลยก็อยู่กันได้เป็นเด็เด ทั้ว่าวิธีคิดมันเหมาะสมกับยุคสมัยแต่พอเราสมัยหนึ่งมาคิดเนี่ยมาวิจัยเนี่ยเลย ก, ก็วิจัยไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลเราไปตัดไปตัดสินเรื่องอดีตเลยจะแก้ไขเรื่องอดีตเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดมันตายหมดแล้วเอามาว่ากันที่ปัจจุบันมันก็มองไปที่ปัจจุบันแล้วมองไปสู่อนาคตเราจะทําปัจจุบันเนี่ยแต่เรามองไปที่อนาคต แคร์กลายกันแนวความคิดในด้านมานครสวนภูมิก็นานๆจรยิงกว่าจะสร้างได้มันนานแล้วมันอีกนานแต่มีการพูดถึงคอรับชั้นคงกินอะไรๆกันแล้วนะะคือมันมันก็เหลือเกินนะคนไทยเราเนี่เหลือเกินเหลือเกินใี่เกินผลจริงๆเลยขอให้ฉันได้ด่าก็แล้วกันในะครทำอะไรขอยดา่า คือต้องมองลักษณะาทางทางดินน่ะทางธรณีวิทยาแต่ทางสมุทรศาสตร์ทางภาวะโลกร้อนแะอะไรต่างๆนีตต่ต้องต้องศึกษาเยอะมากมันเป็นเรื่องทางวิชาการศึกษาสภาพดินสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงอะไรต่นี้แต่สรุปว่ามันเป็นการ พูดเพื่อนําไปสู่การศึกษาค้นคว้ามันไม่ใช่ลงมือทําได้ทันทีทันใดแต่ว่าที่น่าสลดใจก็แม้แต่คิดก็ขอรับชั้นแล้วนะฮะคือถูกกล่าวหาว่าขอรับชั้นแล้วคือคิดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ไม่ไปดูลําดับขั้นตอนอะไรเลยแต่ว่ากล่าวหากันแล้วใส่ร้ายกันแล้วจะมีการตรวจสอบแล้วเย่งกันเลืกลึกนมันก็ เป็นการขาดเหตุผลขาดระบบการคิดลำดับขั้นตอนของการคิดและแม้แต่องค์ประกอบในการคิดตลอดตั้งการเทศะกลุ่มผลบุคคลต่างๆเนี่ยเพราะเละมองเนี่ยเราจึงต้องมองหมดตัวนี้ทําให้เห็นว่าเป็นระบบที่สะทอ้อนให้เห็นสถานภาพของพระพุทธเจ้าสะทอ้อนในเห็นภาพทางสังคม ถ้าได้เห็นธุรกิจของพรบุทธเจา้าและความมโนเยืองต่างๆในทางสังคมเวลานี้เราเอาธรรมะเข้าบ้านแล้วคนอยู่ในห้องน้ำอาบน้ำนอนอะไรก็ฟังเทศได้หมดแล้ว เ, เนี้แด้มีคนจำนวนน้อยเอาอฟังคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ฟังอนะไรแต่ในสมัยรบพุทธเจา้า ก็พระเจ้าประทับจะเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยพระเจ้าจะอยู่ที่ประเทศตะวันส่วนใหญ่มันทำให้เราลองสังเกตว่าพระสูตรเนี่ยเอ๊ะทำไมอยู่ที่ประเชศตะวันส่วนใหญ่เพราะเรื่อพระว่าการเทศในที่ปังแห่งก็คงมีการจำเอาไว้นะฮะผือตพรของพระอนุนเนี่ยก็แสดงว่าก็ต้องมีการทรงจำไว้ แต่ทำไมจึงไม่ค่อยมากทำไมจึงมากอยู่ที่ประเทตะวันเพราะนาการหลักฐานที่ท่านบอกว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเทตะวันเนี่ยถึงต่นไหนก็ทั้งหมดนะฮะพ า, าวัีในยี่สิบห้าปอยู่ที่ประเทตะวันสิบเก้าอยู่ที่บุคพารามหกแต่ก็ไม่ได้หมายความอยู่ตลอด ทั้งปีนะฮะก็อยู่สามหรือสี่เดือน้นนก็จะเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆแต่ภารกิจนี้ก็ตามพระองค์ไปแล้วครตอนเช้าคงเสด็จออกบินทบะตอนเย็นก็คงแสดงธรรมตอนหวัวค่ำก็ส่งประธานโ อ, อวาทแก่พระภิกษุกือทำให้นึกถึงภาพตัวนี้ที่จริงก็คิดมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่วัดเนี่ยมัน ต้องประชุมกรรมาการวัดและตอนเสนอที่ประชุมถ้าเขาเห็นด้วยเนี่ยเราสามารถดาเนินการได้ตัวนี้จากการสังเกตแต่ยังไม่ไปเดินดูนะฮะเพราะว่าตั้งแต่เรานิทัศการเกี่ยวกับเฉลิมฉลองครองราช6 0งกรหกสิบปาหกสิบปีก็ในดวงเนี่ยคือคนเข้ามาดูนิทัศการนี่เยอะ เรายังมึกว่ามันน่าจะสร้างบรรยากาศเชื่อมต่อก็อติดไฟสว่างสวยเราก็ต้องมีการลงทุนทำความสะอาดสะอ้านบริเวณต่างๆแล้วก็เพิ่มห้องน้ำห้องท่าขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มต้นจากการมีเสียงทางสายเบาๆออกไปในส่วนต่างๆของวัดแล้วก็มี กลุ่มคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งก็จัดกิจกรรมมีการประสูตมนกันบ้างมีการไป น, นั่งสมาธิบ้างมีการไปฟังธรรมบ้างแต่คนรู้สึสนใจก็จะดึงคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่แล้วก็เปิปดรับไปถึงสามทุ่มแก้ปัญหารถติดเลย คนทํางานเสร็จก็แวะรับประทานอาหารด้วยว่าตามอับท่าในที่ทํางานตัวเองแล้วก็มาอยู่ในวัดก่อนวัดบริการสังคมแต่ว่าเป็นเรื่องต้องสื่อสารกับกรรมการนนะฮะก็ก็เขาคิดตุนาเนนะี่ยคิดตุนานเอวัดนี่น่าจะมีโดยเฉพาวัดที่มีลานมีบริเวณนะ น่าจะมีเป็นการบริการสังคมอะ่ะตัวเนี้ยตอนเย็นก็ฟังธรรมแสดงธรรมตอนหัวค่ำก็ฟังธรรมก็ไม่ต้องเอามากหรอกเอาขนาดสามทุมแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้แนวของเสียงตามสายอะไรแต่ไรต่างๆจนข้าวไปทางอินเทอร์เน็ตอะไแต่ไรค่อยๆ ค, ค, ค, ค่อยไป ไปได้เรื่อยๆถึงจะเดินเมื่ออกอินเทอร์เน็ตไปทั่วอย่างน้อยก็ร้อยกว่าประเทศเป็นการสื่อสารงานของพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธกิจเนี่ยต้องฟังลองสังเกตว่าพระพุทธกิจตอนเนี้ยมันเวลนนี้คล้ายๆกันเป็นเรื่องส่วนพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นองคอ์กรสงฆ์เป็นต้นแบบขององคอ์กรสงฆ์ ถึงหมายความมาวัดแต่ละวัดเนี่ยควณจะทำแล้วก็ทำอย่างต่อเ น, นื่องเราเราไม่เคยเอาพวกนี้มาคุยกันแล้วทำไมไปไปถวายให้เจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำมาเราดูแล้วท่านครองชีวิตเราเห็นว่าภารกิจของคนที่เอ็นดูคนอื่นเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แหละ ทำงานอย่างนี้แหละเป็นการอุเคราะห์ต่อชาวโลกแน่นอนในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวข้องเยอะมากนะถ้ากิจกรรมส่วนนี้เราเห็นว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยค่าคนดูแลรักษาความสะอาดได้ตามมาเลยแล้วถ้าเราทำไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็งคงจะช่วยกันบ้างเราก็ขั้ใจคิดอ่ะเขาก็ช่วย เขาก็รู้ว่าวัดต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายมันก็ชาวบ้านก็เลี้ยงเลี้ยงกิจกรรมเหล่านี้กันไปก็สรุปว่าพุทธบริษัทร่วมกันทํางานตีตอนใกล้ตอนตอนเที่ยงคืนนะฮะตอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วโดยเฉพาะส่งประทานพระวา่าพระภิกษุไปจนนน้นและกเกือบเที่ยงคืนจนถึงกับเที่ยงคืนพระกลับ อยางนั้นเป็นวราระที่ทรงแสดงธรรมแก่เทวดาตอนทำแก่เทวดาก็เมื่อจบเรื่องเทวดาแล้วพระเจ้าก็จะเสด็จจงกมุมจงกรมแล้วก็พักผ่อนเราลองดูในกานะฮะดูเวลาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะประทับพักผ่อนส่วนพระวรากายเนี่ยไม่เกินสามชั่วโมง ว่าท่านแด่เป็นยามไมา่ได้ําไปประธานไม่ทำมาอยู่ได้คือร่างกายเราถ้าเราพักหลับโดยสมาธิลึกจริงๆเนี่ยเราอยู่ได้พอร่างกายเขาได้พักจริงแต่ปัญหาสำคัญว่าเราหลับไม่ลึกพอพอหลับไม่ลึกพอเนี่ยร่างกายมันทุกส่วนเนี่ยเขาไม่ได้พักผ่อน เหมือนเครื่องยนต์กกไกระวอมไว้หรือพูดง่ายๆว่าอะไรล่ะโทรทัศน์วิทยุอะไรเนี่ยคือหลักการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันถอดปลั๊กใหญ่เลยเวืทุกส่วนเนี่ยไม่ต้องทำงานให้เขาได้พักก็เต็มที่อายุการใช้งานมันก็จะยืนขึ้นเป็นการศึกษาจากสิ่งต่างๆเนี่ย จะเห็นว่าเขาก็แนวเดียวกันเนี่ยยันที่บอกว่าตอนนี้ามากำลังทำทำหัวข้อการบริหารการจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนาเวลานี้ขณะนี้นะฮะขณะทำรายการเนี่ยก็ทำมาถึงช่วงการบริหารในการแสดงธรรมะ การจัดการกับองค์ธรรมที่ส่งศัตรูเนี่ยประสงค์แบ่ ง, ย, งยังไงโดยเฉพาะยงยิ่งขึ้นในการบริหารการจัดการกับองค์กรในเครื่องมือเนี่ยโดยเฉพาว่าหลักการวิธีการปฏิบัติการเนี่ยก็คือตัวธรรมะแต่ผู้ปฏิบัติการเนี่ยคือตัวศาสนิกเพราะหลักการอุดมการหลักการวิธีการเนี่ยมันเป็นองค์ธรรมอันก็ อุดงการก็คล้ายๆกับวัตถุประสงค์ที่เราพูดในเนี้คือวัตถุประสงค์แต่มันก็ต้องมีหลักการที่จะนำไปสู่ตัววัตถุประสงค์ตรงนั้นทีนี้มันก็ต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการแต่มันจะต้องมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลในภาคบริหารเนี่ยมันมันมันจะเอาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีศิลระบแม้แต่การใช้ บทบัญญัติของกฎมหมายหรือของพระวินัยเราใช้แบบแข็งทื่อเนี่ยไม่ได้ครับอยงในพระศาสนาเราเองก็มีลักษณะอย่างหนึง่งเป็นลักษณะประนีประนอมเป็นการผ่อนปรนเป็นการยุติปัญหาอาดีตแล้วก็มานับหนึ่งกันใหม่เป็นความแตกแยกระส่ำระสายรุนแรงมากสังคมอยู่ไม่ได้ใช้กฎมหมายอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย แต่คืนใช้แล้วกดบานปลายกันใหญ่โตมโหฬารเลยตัวกฎหมายมันเป็นบทบัญญัติเฉยๆมนุษย์บัญญัติขึ้นมาเฉยๆคือเรื่องมันเรื่องเนี่ยมันเป็นการมองกคนละมุ่มเฉยๆคือบังคับมงคราในกฎหมายมันทําลายอังคารประโยคของความเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องของความเอื้อถอนกฎหมายมันบอกมันทําลายเลยนักนิติศาสตร์ก็ถือเขาเก่งเนี่ย แต่สามารถชี้ต้นตายลายเป็นได้แต่คุณไม่ลืมคุณลืมแล้วคุณทําลายอังคาประยุกของความเป็นที่เป็นน้องหมดเลยจะยกตัวอย่างในช่วงริพราชบัญญัติเลือกตั้งเนี่ยแต่ใครจะไปร่วมกิจกรรมอะไรไม่ได้เลยเออถ้าญาติตายปู่ตายพี่น้องตายเพื่อนตายครูบาอาจารย์ตายลูกหลานแต่งงานลูกหลานเขาบวชเออทางวัดมีงานเนี่ยไปไม่ได้เลยอะไรของคุณกฎหมายอะไรของคุณ คุณต้องการอะไรอันค้าพยศของสังคมนี้เ็าอยู่กันมาเป็นล้านล้านปีอแล้วคุณไปใช้เศษกระดาษมาสั่งการเขาเลยมาบงการก็ได้แต่ น, น, น่าคิดนะคือคื อ, ค, อคืออย่างที่ล่าเนี่ยว่าทำามาจะตลองนนักศึกษาปริญญ่เอกเนี่ยเขาเยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยก็มีฐานข้อมูลสีฉบับเนี่ยนะแล้วคิดขึ้นมายกร่างึ้นมาเลย ทาคล้ายๆกับพวกแรศรอรแล้วก็เป็นกฤิฎิกาเป็นรัฐบาลเป็นสภาเป็นรัฐสภาแล้วก็ผ่านทีนี้ก่อนจะผ่านเนี่ยมันมีวรระรับหลักการกับวาระสองต่ออภิปรายเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งมานั่งสัมมานากันให้เขาให้เขาอธิบายแล้วเราจะ เราจะซักถามก็ดูระบบการคิดที่มันเป็นระบบว่ามันได้อย่างงี้ได้อย่างนี้แล้วมันไปทําลายอย่างเงนยัางเงินอย่างเงนแล้มันะคุ้มค่าหรือเปล่ามันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเราะันถ้าเราถ้าเราดูให้ดี ว, ว, ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ตลอดถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอะไรต่างๆนั้นมีเยอะมากนะครับ เป็นการมองมุมเดียวมองมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็สะใจแล้วไอ้ฉันได้ทําอย่างเงี้ยสะใจแล้วโดยไม่นึกผลกระทบอะไรคือเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยความสงบสุขนั่นคือเนื้อหาอะไรก็ไม่รู้มันเป็นป ร, ประโยชน์สุขของประชาชนภายในแผ่นดินเนี่ยนั่นคือคือความถูกต้อง แต่ถ้าไปสร้างความแตแกแยกขึ้นไปในสังคมเนี่ยมัคุณจะเรียกอะไรก็ไม่รู้ไม่ถูกนั่นแหละเพราะแนวธรรมะเนี่ยเราจะเห็นเห็นหลักการเห็นหลักการว่าผลจากธรรมะเนี่ยมันจะเกื้อกูลมันเป็นประโยชน์แล้วก็จะเกื้อกูลจะเอื้อให้เกิดความสุขแก่สังคมพอมาออกมาถึงปฏิบัติการมันมีมีพระเจ้าเป็นต้นแบบทุกอย่างเป็นประโยชน์เกื้อกูล แกมนมุษย์ชาติในแต่ละช่วงแต่ละห่วงเวลารเราเช็นว่ากลุ่มเป้าหมายนี่มันเปลี่ยนตอนบิดาบาตก็อีกกลุ่มหนึ่งตอนแสดงธรรมก็อีกกลุ่มหนึ่งตอนประทานโอวาสก็อีกกลุ่มหนึ่งตอนตอบ ป, ปัญหาก็เทวดาก็อีกกลุ่มหนึ่งตอนดูสัตว์โลกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มันเกิดด้วยบา ร, รมีธรรมในอดีตใครทําบุญอรหัก็ปรากฏในขายพยาธ เขเรียกวพุตธเวไนคือคนที่จะพูดกันรู้เรื่องเนี่ยมันปรากฏปรากฏในข่ายพยาเพราะเราเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของพระเจ้าก็ะจายกระจายถ้าเรานับจำนวนคนแล้วมหาศาลมากเลยแต่ว่าศาสดาองค์เดียะทางานองค์เดียะ ว, วันหนึงยี่บสี่ชั่วโมงทํางานกับกลุ่มเป้าหมายถึงห้ากลุ่มด้วยกัน มันมื่อเท่าไรเนี่ยเราไปรู้ปรตอนสเสด็จวินตบาเนี่ยก็คนก็เยอะคนก็นได้บุญในการเห็นทําใจเลื่องสายก็ได้บุญแล้วยกมือไหว้ก็ได้บุญแล้วตวายทานก็ได้บุญแล้คนหนึ่งก็ขอโดยสารนึกโมทนาการรักบาตรคนอื่นก็ได้บุญแล้วแต่ประโยชน์มันเกิดเยอะถ้าเราสังเกตว่าชีวิตชีวิตอย่างเนี้ยคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอย่างเนี้ย แล้วก็อยู่มากับชาวโลกถึงสี่สิบห้าปีในขณะเดียวกันก็คำสอนคือรูปธรรมอินั ย, ยเป็นประโยชน์เื่อกูลแก่ลกโลกอนเอกนกนันมากทั้งโดยส่งทั้งโดยออมพระก็เหมาะสมในฐานะที่เป็นผู้อนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกพคำว่าปฏิุเสวะคติกะเลพาพาพระเปวิโลกนังมันก็เป็นการบอกถึง พระญานที่ส่งบรรลุนี่ว่าได้ใช้งานตลอดได้ใช้งานตลอดเลยคือทิฏฐจักษุตัวนี้เขาเรียกว่าทิพฐจักสุส่วนดูสัตว์โลกโดยทิฏฐิจักสุอันร่วงสามัญจักสุคือมนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นแต่ว่าท่านที่ได้ปัญญาเนี่ท่านเห็นแต่การเห็นระดับนี้มันเป็นเรื่องพุทธญาณแล้วนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องสามัญชน คือคนที่เสร้างบา ร, รมีมาเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าจึงสามารถเห็นเหตุการณ์เหล่านี้รู้ถึงสภาวะทางจิตของคนเหล่านั้นเรงการปรากฏแก่กจิตเนี่ยถ้าเรามองถึงว่าคนที่จะตายเนี่ยมันก็มีสิ่งปรากฏแก่กจิตแต่ว่าเพื่อตัวของบุคคลนั้น ทีนี้พอจิตมันพัฒนาขึ้นจุดสูงสุดมันก็มีสิ่งปรากฏแก่จิตแต่เพื่อประโยชน์แก่คนเรานั้นนั่นก็คือในรูปรูปของสังสารวัตเนี่ยยังอยู่ในสังสารวัตสิ่งที่ปรากฏแก่จิตมันก็ทำให้จิตมีทิศทางในการดำเนินไปเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตัวเองก็แล้วแต่ว่าเธอจะคิดได้หรือไม่ได้นะแต่ปรดนะดนที่หนึ่งพอเป็นพระาศาสดาเพระพุทธเจ้า ตังตัวรู้สัตว์โลกทุกวันก็ปรากฏแก่พระไทยทุกวันแต่เพื่อประโยชน์แก่คนเ่านั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่พระองค์คนได้ควรมีควรเป็น่ะมันมีความสมบูรณ์หมดแล้วแต่เรื่องของคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตของผู้นครอโลกเป็นเรื่องที่น่าศึกษา แสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนานะฮะในการคือว่าเราก็คิดภาคภูมิในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วก็พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นศาสนิกแล้วก็มีโอกาสได้อย่างน้อยที่สุดก็ความธรรมรักษาศาีนก็ได้สากศีนห้าก็บุญแล้ว ทีนี้โอคานี่พูดมาแล้วทีนี้โอคาเนี่ยมันเราเจอบ่อยนะคำพวกนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสอ่ะเพราะว่าธรรมะ ส, ส่วนใหญ่มันก็เรื่องเรื่องควรละกับควรบาเพ็ญเรื่องควรกาหนดรู้การกิเลสเดี๋ยเราจะเรียกในอาศัยรูปธรรมอะไรเรียกก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจจะเรียกเป็นคโครนเป็นตมเป็นน้ํากรดเป็นยาพิษเป็นสนิมเป็นหลุมบอ่อเป็นขวากน้ํา เป็นทะเลเพลิงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกอะ่ะมันเป็นการเผาทำลายล้างทั้งหมดเพรา ะ, ะนั่นจึงเรียกบางทีเรียกว่าอาสวะแปลว่าหมักหมมอยู่ภายในใจบางทีเรียกโยคะแปลว่ามัดไวหรือขังไว้ในสังสารทุกข์เราจะเห็นว่าพราะกิเลสเหล่านี้มันสนทภายนะฮะสนตภายจิตมนุษย์ มันสูญเสียการทรงตัวแล้วแต่ใครจะกํากับควบคุมนะเหมือนกับมา้าเหมือนกับช้างเหมือนกับโคนะเหมือนกับสัตว์ที่ถูกสนตรภายหรือแม้แต่คนเองถูกสนทรภายเรา ก, กํากับควบคุมตัวเองไม่ได้บางกิเลสตัวนี้มันก็จะมีลักษณะอย่างนี้คันธะเราอาจจะแปลว่าเป็นเครื่องร้อยรัด เ, เช่นเอาโคมาร้อยจมูกอย่างเงี้ยเอาปลามาร้อยเหงือก เอาเอาเอาไก่มามัดที่ขาแล้วก็ร้อยเป็นพวง ก, ก็หาประหัวลงโอ้มันรุนแรงนะฮะทั้นเราจะเห็นว่าโอค่าทั้งสี่นี่มันคลุมกิเลสหมดแล้วก็เราก็ไม่ต้องพูดข้อไหนก็ได้นะฮะข้อไหนก็ได้จริงจนี่กิเลสก็คลุมกันทั้งหมดแม้แต่พูดคําเดียวเราพูดอาจจะวิชาคําเดียวตัณหาคําเดียว อสวะคำเดียวเนี่ยมันจะคลุมกิเลสอย่างอื่นมีชื่ออย่างอื่นทั้งหมดแต่บันเรียอทุมชื่อไม่ได้เพราะว่าคนที่จะเข้าใจสื่อสารตรงนี้มันค่าๆอย่างง่ายแต่ไม่ง่ายก็นานมาแล้วนะครับประมาณตั้งสามสิบกว่าปีแล้วคุยก็บเขาเป็นเปรี่ยนแล้วนะตอนนั้นเปียนรู้สึกเปลี่ยนเรี่ยนหกคุยคุยกัน หรือการเรื่องกิเลสแล้วแกก็สารภาพอะไรแกบอกลงพี่ไหมคผมผมผมแย่มากเลยกิเลสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสเลดเห็นไหมฮะคาดว่าเป็นพระมหาบเรียนมาเนี่ยคือยังจับประเด็นไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนเพื่อสอบเท่ น, นั้นเองเขาไม่ได้คิดไม่ได้พิจรารณาไม่ได้ดูที่จิตตัวเอง ในการสื่อสารเนี่ยมงมก็กยากก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องเรียกอย่างนี้ก็ได้นะยังโยมไปออถือภาชนะหรือถืออะไรเออมันมีสนิมมันสกปรกมันมีกิเลสแต่มันกล้ๆอย่างเี้ยมันใช้งานไม่ได้คนกำลังซักผ้าเนี่ยบอกิเลสแต่เหมือนก็สิ่งที่ทำให้ผ้ามันแปดเปืเป้อ น, นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องซักออกถึงจะใช้ได้ ไอตัวที่จะเป็นสื่อเนี่ยที่จริงไม่แปลกอะไรแต่สะท้อนในเห็นตัวโทษเนี่ยกิเลส ม, มันมันมีความเป็นโทษโดยสถานะของมันแต่เราใช้ภาษายังไงให้คนเห็นโทษละ่ะก็เรื่องไม่ง่ายนะฮะที่จะพูดให้เขาเข้าใจแต่ง่ายเนี่ยเราแก้ปัญหาบายมุกได้ตั้งนานแล้วเรนนี้ปรากฏว่ามาแรงยาบ้าก็มาแรง แล้วก็เลื่อนชั้นนะ่ะเลื่อนชั้นมันทาลายทั้งเศรษฐกิจทำลายทั้งสังคมทาลายทั้งสุขภาพทาลายทั้งครอบครัวอูมันทาลายก็เรียกว่าทาลายมนุษยชาติเลยนันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่าคนในสังคมเนี่ยมันพูดเก่งแต่ว่าจะให้เสียสละเพื่อประชาชนจริงๆ บางทีนิจใจมันพร้อมนะฮะแต่ไม่มีสถานะไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจเขาก็ทำอะไรไม่ได้บางทีกฎหมายก็ไปคุ้มครองคนชั่วไว้รู้แสนรู้นะว่าคนนี้มันผิดอย่าบ้าแต่ไปจับไม่ได้มีหลักฐานเห็นกันก็จับไม่ได้มันต้องขออนุมัติติดต่อกรสานได้รับคบสั่งศาล ได้เอกาสารนะไปตรวจคน้นกว่าจะได้เรื่องเนะี่ยกายก็ตื่นหมดแล้วก็เป็นปัญหาในสุดมันมนุษย์ต้องสำนึกเองหมายความปเจกนชนแต่ละคนจะต้องสำนึกด้วยตัวคนตัวเองว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควร แล้วเขไม่เห็นโทษเองเขาไม่เห็นคุณเองแล้วเขาไม่ละเองเขาไม่ประพฤติเองเนี่ยใครจะไปกํากับคนทุกคนได้อ่ะเพราะแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองตามหลักเนี่ยตามหลักของอตัตเหตุัตโนนัโถเนี่ยตโ น, โ น, โน ต, ตนเป็นที่พึ่งของตนหรือถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาคนให้เข้าถึงจุดตรงนี้ได้โอกาสที่จะแก้ปัญหาสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยจะ ก็คงยากอยู่นนะแต่ก็ดีเขาก็มีปัญหาให้คนทำถ้าสังคมไม่มีปัญหาแล้วก็ก็ไม่มีงานนะนะก็ทาให้เกิดสร้างงานขึ้นมาแต่ว่ามันเอาปัญหาในเชิงที่เป็นสภาวธรรมนี่ก็อพอแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายก็แก้กันไม่เคยไหวแล้วแล้วยัางเกิดปัญหาพวกอัจฉรกรรมต่างๆขึ้นมาอีกก็เลยก็ยุ่ง ก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่ากำมังดําริที่จะสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ว่าก็ทําจดหมายไปถึงผลเอกเสรีปุกมานเพราะเห็นว่าท่านมีน้ําใจท่านนทิกาเนี่ยก็มีน้ําใจคุณยุวดีบุญครองเนี่ยก็แสดงความมีน้ําใจออกมาเพราะว่ายี่สิบกว่าปีเนี่ยเราก็ยังไม่เจอคนที่แสดงความสนใจ ที่จะสนับสนุนการก่อสร้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทราบคำบอกเล่าที่มาเป็นเอกาสารขอจะยืนยันอะไรได้วันนี้ที่ทำรายการเนี่ยก็เป็นเป็นวันจันทร์ที่26มิถุนายนพราะก็จะเล่าถึงถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่ มีการกระจายนะรต่อพัฒนาขึ้นไปเป็นมูลนิธิเนี่ยเรากำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นโดยคณะกรรมการเนี่ยเขากำหนดไว้เป็นสี่ประการคือเพื่อสืบทอเจตนารม์ของบรรพบุรุษไทยในการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาทาั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สองประส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ชาวโลกอย่างมีระบบและเป็นไปในทางแน ว, แนวเดียวกันโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะะท่านผู้ฟังจะเห็นว่ามันก็พูดได้นะฮะแต่ว่าให้เป็นไปในแนวแน ว, แนวทางเดียวกันเนี่ยไม่มีเราไม่มีสามารถกำกับควบคุมก็ได้หรอกเราเป็นแค่องค์กรมูลนิธิทานั้นเองเรามีหน้าที่ศึกษาเรามีหน้าที่ปฏิบัติเรามีหน้าที่เผยแผ่เราม่หนา้ า, นาที่ดูแลรักษาพระศาสนา แล้วก็จะขยายแนวร่วมได้เท่าไหร่มันก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างก็มีอิสระในการคิดในการตัดสินใจแต่ว่าเราก็เมื่อเป็นวัตถุประสงค์นะั้นได้แต่การที่จะปรับแนวก็าหากันเนี่ยเอาขนาดธรรมกายคณะสงฆ์กับสันติสุขนี่ก็กระอากเลือดแล้วนะฮะก็จะทําได้ในกระอาขเลือดแล้ว ตาไปแต่กี่ชุดก็ไม่รู้นะจะแก้ได้หรือเปล่าก็สรุปว่าแต่ละคนให้สํานึกรับผิดชอบต่อพระศาสนากันแล้วกันเพืเป็นองค์กรกลางในการประสานงานและดำเนินการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการสาธารณะสงเคราะห์อันก่อให้เกิดความดนสายศรัทธาเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้แก่บุคคลทั่วไปคือผู้เขียนเนี่ยเขาไม่เคยทํางานในการเทศน์นะ คือแต่ละอย่างเนี่ยที่จริงก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากทั้งหมดแหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการคือคนไม่เคยทํางานภาคสนามเนี่ยมันจะฝันเยอะเลยฮะมันจะฝันเยอะเหมือนคนที่ไม่ต่อยมวยเนี่ยมันก็คิดคิดคิดมันนะฮะภาคเดียก็เป็นแชมป์เลยแล้วก็เล่าให้ท่านฟังแต่นั่นเองว่าความใฝ่ฝันนั้สูงมากแต่ว่าตอนนี้แม้แต่อาคารสถานที่ที่จะทํางานเนี่ยยังไม่มีเลย จะมาเป็นเลขาที่การเองก็ไม่กล้าลาออกจะเดินหน้าไปก็มาคนสนับสนุนยากนะเพราะงั้นเราก็ทําไปกว่าจะสิ้นหลมปรางอนะไรนั้นเองก็ไม่รู้จะไปยังไงข้อต่อไปก็บอกว่าเพื่อเป็นศูนย์กลางดําเนินการพิทักษ์รักษาพัฒนาและสร้างสถิภาพความเป็นผน่านความมั่นคงของพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน เพื่อดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์และไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดอันนี้มันพันธนาการทางสังคมนะฮะเราไปยอมจำนวนมากเกินไปแล้วก็จําแนกไม่ออกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นศาสตร์การเมืองนะไม่มีทางที่จะแยกจากการเมืองได้หรอกแต่กระทบกับการเมืองทั้งทางบวกและทางลบอยู่ตลอดระยะเวลาทั้งฟังได้เย เสียงธรรมจากมาวิตรัยสีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี